ในปฐมอนุสัยสูตรเลยนะก็ลักษณะพิสูจ์ก็เข้าไปถามปัญหาจากพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอนุสัยได้นั่นแหะคืออนุสัยนี้เป็นชื่อของกิเลสที่เพราะอัถาว่ายังละไม่ได้แต่จริงๆแล้วเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังเนี่ยนะ ตัวนุสัยนี่เป็นชื่อของที่เรียกว่ามีตัวกิเลสที่ไม่ธรรมดาเหมือนกะันมีกำลังมากถามว่ามีกําลังนี่มีกําลังยังไงเนีย่ยนะเช่นว่าถ้าเจอสุภานิมิตเนี่ยนะสุภาณิมิตเนี่ยราคะจะเกิดอะไรนะพอพอได้ปิยรูปสาตรูปราคะเกิดพอได้อะปิยรูปอาสาตารูปเนี่ยนะหรือปฏิฆานิมิตเนี่ยถกสามก็เกิดอย่างนี้ที่เรียกว่าอนุสัยแต่ถ้าราคะไปชอบ สิ่งที่ไม่น่าชอบอันนี้ไม่เรียกกิเลสเรียกว่าอนุสัยไปโกรธของสวยๆอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าอนุสั ย, ยนไปไปชอบของที่ปกติเขาเกลียดกันอ่ะนะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่กามราคาอนุสัยไปชังในสิ่งที่คนอื่นเขาแหมดูสวยไปหมดเลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ปฏิคานุสัยอนุสัยนี่เป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลัง นั่นก็ที่ถามว่ารู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอนุสัยอันนี้ได้เนี่ยนะก็รู้เห็นโดยควา ม, มเป็นของไม่เที่ยงนั<ม>่นแหละเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือจกักรสุรูปจักสุวิญญาณภาษะเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงรู้เห็นอย่างนี้ก็ละอนุสัยได้เนี่ย น, นะก็ธรรมะส0มสิบอีกเหมือนกันนะนะอีกสูตรหนึ่งบักว่าทุติยอนุสัยสูตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื <N 1> ่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอนนั่นนะหมายว่าจะเพิกถอนอนุสัยได้ยังไงผมก็ตรัสว่าเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโดยความเป็นอนัตตาอนุสัยจะถึงความเพิกถอนนั่นนะอันก็อนัตตานี่ก็คือไม่ใช่อัตานะแปลว่าไม่มีผู้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยแต่สิ่งนั้นมีอยู่ แต่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะซึ่งจากไม่มีแล้วมามีขึ้นสิ่งใดที่ไม่มีแล้วมีขึ้นเรียกว่าไม่เที่ยงแต่ก็ไม่สามารถทนอยู่สภาพเดิมได้นนะั้นเรียกว่าเป็นเป็นทุกข์แล้วนะไอการที่มันเป็นไปตแบบนี้แหละเรียกว่าในความเป็นอนัตตาแวนะก็เรียกว่าปฏิเสธผู้สร้างผู้สเสวยเรียกว่าสยังวาสีปฏิเสธพวกวาทโกไอเวทโกเนี่ยนะ ก็ถ้ารู้เห็นโดยความเป็นอนัตตาก็สามารถที่จะละหรืออนุสัยเนี่ยขอให้อนุสัยเนี่ยถึงการเพิกถอนได้นั่นหองจริงไงธรรมะสามสิบหมวดนี่ดีนะอาจะสารพัดโรคเหมือนกันนะที่จะละกิเลสเนี่ยเป็นแหมหัวข้อธรรมะสารพัดที่จะดีจริงๆว่างั้นจะถ้าพิจารณาธรรมะสามสิบหมวดเนี่ยจะว่า สังโยชน์ก็ละได้อนุสัยก็ละได้อาสะวะก็ละได้กิเลสอื่นๆละได้หมดเลยถ้าเจริญอย่างนั้นมันก็แสดงว่าไอ้วัตถุดิบคือปริญญาธรรมสามสิบหัวข้อเนี่ยนะก็เป็นหัวข้อที่จะต้องหมั่นเอามาพิจารณาให้มากๆเนี่ยนะนะแสดงว่าประตูแห่งอมาตะก็อยู่แถวๆนั้นแนหะถ้าใครครวญถ้าพิจารณาได้มากเนี่ยนะเพราะถ้าจะว่าไปรวมๆนะทั้งเอ สังโยชน์ทั้งอาสวะทั้งอนุสัยเนี่ยนะมันเกิดมันก็อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเกิดใช่ไหมมันก็เหมือนกับไฟเนี่ยนะถ้าแบบชาวบ้านที่เขาหงุดต้มกันอ่ะนะก็ใช้ฟืนเป็นหลักเลยมันถ้าจะมีไฟที่ไหนติดก็แสดงว่าต้องมีมีฟืนอยู่แล้วอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันกิเลสทั้งหลายที่มันเกิดเนี่ยก็เกิดตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะปารคอารมณ์อดีตบั่งปารคอารมณ์อนาคตบั่งปารคอารมณ์ปัจจุบันบ้างมันก็มีอยู่เท่านี้แหละชีวิตแหะนะ แต่ส่วนที่เหลือก็คือรายละเอียดในความวิจิตของธาตุเท่านั้นเองแต่ว่าในพอแยกแยะออกมาแล้วมันก็มีอยู่เท่านี้มันถ้าหากว่าตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็น้วยความเป็นทุกข์ตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็สามารถที่จะละสามารถที่จะเพิกถอนสังโยชนุสัยกิเลสได้หมดเลยส่วนปริญญาสูตรกล่าวว่าดูก่อนพี่สูรทั้งหลาย เราจากแสดงธรรมะเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเห็นไอ้คำว่ากำหนดรู้ในที่นี้หมายถึงกำหนดรู้แบบละนะไม่ใช่กำหนดรู้แบบเออเนี่ยรู้ว่ามันมีนะคำว่ากำหนดรู้นี่ขอบเขตไม่ใช่แค่ว่ารู้อยู่เออรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่ารอบรู้แล้วเพิกถอนกิเลสได้อันนั้นจึงจะเรียกว่าปริญญาเนี่ยนะ หมายความว่าถ้าพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วละตัณหาได้อันนั้นแหละจึงจะเรียกว่าปริญญ า, านั่นคำว่าปริญญานั้นกินเนื้อความลึกมากเนี่นยนะเช่นถ้าพิจารณาปียรูปสาตรูปนะเรียกว่าทําปริญญาในสิ่งนั้นก็ต้องล ะ, ละราคาได้ถ้าทําปริญญาในอนปียรูปอาสาารูปมันก็ต้องละโทสะได้จึงจะเรียกว่าปริญญาขอบเขตเนี่ยลึกมากคือสามารถกําจัดบาปอากุศลได้ น, นิยามหรือศัพท์ความหมายขอ ง, ของคำ ว, ว่าปริญญาอมความตั้งแต่ละบาปอากุศลธรรมดาธรรมดาจนถึงอรหัตตมรคนั่นนะขณะที่อรหัตตมรเกิดขณะนั้นก็ชื่อว่าปริญญาเนี่ยนะถ้าหากว่าเจอพยายมชนะว่าธรรมะเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงเนี่ยนะแค่กำหนดรู้นะก่นะก็เราเราก็เลยนึกเข้าเข้าใจว่าแค่รู้อยู่เห็นอยู่ก็พอจริงแล้วไม่ไม่ใช่แค่แค่แค กำหนดรูปแบบภาษาไทยน่นะแต่นะหมายถึงว่ากำหนดรอบรู้แล้วก็เพิกถอนสิ่งนี้ได้น่นะนะสูงสุดเลยก็คือระดับอรหัตตมรรคนั่นเ่านเธอทั้งหลายจงฟังดูความพิสูจทั้งหลายธรรมะเพื่อกำหนดรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงนี่เป็นไฉไห น, นอาศัยจักสุและรูปเกิดจากสุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา ดูความพิสูจทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักรสุทั้งในรูปทั้งในจักรสุวิญญาณทั้งในจักรสุสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่ม อ, อ, อยมทราบชัดว่าเรากําหนดรู้อุปาทานได้แล้วนนะั่นก็นี่ก็แสดงว่าทวารตานี้จบไหนที่ไหน จบที่อริยมรรคเลยนั่นแหละหนังสือแก้เท่าน่อยนะตรงนั้นนะเรากาหนดรู้อ่ะแล้วก็ขีดทิ้งอ่ะเหลือละเหลือสาระอุปาทานแล้วก็ใส่เข้ามาได้แล้วสรุปว่าเธอย่อมทราบชัดว่าเรากาหนดรู้อุปาทานได้แล้วเนี่ยนะก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องเรากาหนดรู้หลุดพ้ น, นเลยอ่นะเอาออกไป เอาความว่าหลุดพ้นออกไปแล้วก็เพิ่มข้างหลังว่าได้แล้วต่อจากอุปาทานสรุปว่าเธอย่อมทราบชัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้วนั่นแหละหนังสือเรพิมพ์ผิดหครับ เ, เข้าเข้าใจแบบนั้น อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไปดูฉบับอื่นเขาก็เข้าใจง่ายดีอันก็ตรงนี้เห็นชัดเลยนะว่าถ้ารู้จริงเนี่ยนะทั้งจักสุรูปจักสุวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยอั้นถ้ารู้จริงในสิ่งนี้ก็ย่อมจะเบือ่อหนายใช่ไหมเพราะเบือ่อหน่ายก็คลายกําหนดนี้แสดงวิวัตตะในทวารตาเลยเนี่ยนะแสดงข้อปฏิบัติคือการกําหนดรู้ทุกละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้งอบรมมักในทวารตานี่ยนะคือคําว่าทวารตาก็ทั้งจักรสุท่านรูปจักรคูวิญญาณภาษาและเวทนานั่นเองส่วนในรายละเอียดที่มันวิจิตกว้างขวางก็คือในโลกของจักรสุนะคําว่าจักรสุนี่ก็มีมีอะไรที่จะต้องพูดเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ตรัสว่าสมุดคือจักรสุนะมันเป็นเหมือนทะเลเลยแหละจักรสุเนี่ยนะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากทะเลมันยังแคบกว่าจักรสุเยอะนะ ทะเลกับตาเนี่ยไหนะแคบว้างากันจากสุกนี่กว้างกว่าเยอะจากสุกมันดูได้เกินที่ทะเลมันดูทะเลด้วยมันไปดูที่อื่นด้วยนะมันพงอุ ป, ปมาว่าสมุดคือจากสุกเนี่ยนะในธรรมสังขีนีเนี่ยบอกเลยสมุดคือจากสุกแล้วท่าก็บอกว่าทะเลคือตาตาจริงๆก็คือทะเลนะนะแต่ถ้าพิจารณาตามพุทธพจน์นั้นจริงก็เออทะเลจริงๆ ก็าตาเราเดี๋ยวไปดูทะเลบ้างเดี๋ยวก็ดูบกบ้างเลเดี๋ยวก็ไปดูเขาบ้างดูมันกว้างใหญ่ไพศาลมากจริงอ่ะ น, นิดเดียวนะแต่ว่ารัศมีมันไปเที่ยวสอดส่องเรียกว่าสอดสายดูมานี่ไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่ภาพในโลกเนี้ยที่วิจิตพิสดารนี่ไปเที่ยวดูมาเกือบหมดแล้วนะแต่ก็อย่างว่านะสีมันเนื่องจากมหาพูดไม่มีจบมีสิ้นอ่ะนะมีใครดูจบหรอเล่สีเนี่ย ก็ทวารหูอีกนะอาศัยหูและเสียงเกิดโสตวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในโสตย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเสียงนะทั้งในโสตวิญญาณทั้งในโสตสัมผัส ทั้งเวทนาเมื่อเบอร์นายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพน้นเธอย่อมทราบชาัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้วเน้นที่การหลุดพนน้นนะเมื่อหลุดพนน้นจึงจะชื่อว่ากำหนดรู้อุปาทานได้จริงถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ชื่อว่ายังไม่ชื่อว่ากำหนดรู้อุปาทานอย่างแท้จริงเนี่ยนะอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานวิญญาณ รวมธรรมสามประการเป็นภัรษาเพราะพัรษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูกอนพิสูทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สรบแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในคานะย่อมเบื่อหน่ายทั้งในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายทั้งในคานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายทั้งในคานะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเนี่ยนะ เธอก็ทราบชัดว่าเรากําหนดรู้อุปาทานได้แล้วนะก็ถ้ากําหนดรู้ทวารจมูกดีก็พ้นทุกได้นะถ้ารู้จริงนะเพราะรู้จริงมันก็ต้องเบื่อหน่ายทั้งจมูกทั้งกลิ่นเป็นต้นนั่นแหละอาศัยลิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในชิวหาทั้งในรสทั้งในชิวหาวิญญาณทั้งในชิวหาสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพน้นเธอย่อมทราบชัดว่าเรากำหนดรู้อปปาทานได้แล้วนะกำหนดรู้อุปาทานในทวารลิ้นเนี่ยนะอาศัยกายและโพธพะเกิดกายวิญญาณ รวมธรรมมาสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในกายทั้งในโพธพัททั้งในกายญวิญญาณทั้งในกายญสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าเรากําหนดรู้อุปาทานได้แล้ว อันนันทวารกายเนี่ยนะอันนี้ก็กว้างขวางคําว่ากายเนี่ยนะตั้งกับศีรษะตรดเท้าแล้วก็อารมณ์ที่มากระทบนี่ก็ทั้งอารมณ์ทั้งในตัวร่างกายเองด้วยทั้งนอกร่างกายด้วยเป็นต้นอันถ้ากําหนดรอบรู้จริงเนี่ยนะก็สามารถชําแรกหรือละอุปาทานในทวารกายได้หมดเลยอาศัยใจและธรรมอารมณ์เนี่ยนะจึงเกิดมโนวิญ ญ, ญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา ดูก่อนพิสูุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในใจทั้งในธรรมรมทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้วดูก่อนพิสูุทั้งหลายนี้แลเป็นธรรมะเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงนะแล้วก็ สูตรนี้เป็นวิวัตะอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นการประกาศเน้นประกาศนิโรศสัตร์กับมรรคศัตร์เนี่ยนะแต่ก็ไอาการที่จะแทงตลอดนิโรศศัตร์หรือมรรคศัตร์นี่ก็ไม่พ้นทุกศัตร์อยู่แล้วเนี่ยนะก็เป็นการแทงตลอดนิโรศศัตร์ก็ต้องละสมุไทยอยู่ดีส่วนอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าปฐมปริยาฐานสูตรเนี่ยนะ พงษ yes. ์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะเพื่อครอบงําอุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะนั้นอันนี้หมายถึงครอบงำเลยนะจะครอบงําอุปาทานนะจะไม่ให้อุปาทานเกิดให้อุปาทานนี่มันเสียหายมากนะนี่น่าจึงต้องครอบงําเลยนะถ้ามันดีจริงๆมันต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมนี่ไม่ดีจริงอ่ะดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ธรรมะเพื่อครอบงําอุปาทานทั้งปวงนี่เป็นไง อาศัยจากสุและรูปเกิดจากสุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดูก่านพิสูน์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สะดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือหน่ายทั้งในจากสุทั้งในรูปทั้งในจากสุวิญญาณทั้งในจากสุสัมผัสทั้งในเวทนาเมื่อเบือน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเนี่ยนะ เพราะหลุดพน้นก็ย่อมทราบชัดว่าเราครอบงําอุปลาฐานได้แล้วเห็ไหมไม่เหมือนกันเะยคือย่อมหลุดพน้นนะเพราะหลุดพน้นเธอก็ย่อมทราบชัดว่ามันก็ต้องเพราะนะคาว่าได้แล้วข้างหลังนะเอาออกไปหลังได้แล้วไม่ต้องเอา <c oughs> ย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงทราบชัดนะนะตามลําดับต้องเป็นแบบนั้นนะทะวารอื่นก็ในญาติเดียวกันนะนั้นก็ถ้ารอบรู้ในธรรมะสามสิบนะนะทวารตาทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเนะี่ยก็สามารถที่จ ะ, ะครอบงําอุ ป, ปาทานได้หมดไนะนะจะครอบงําสิ่งเหล่านี้ได้ต่อเมื่อรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงเนี่ยนะนะนะคือรอบรู้ ทั้งจกักโสทั้งรูปจักขวัวิญญาณภาษาเวทนาหูเสียงโสตะวิญญาณภาษาเวทนาจมูกกลิ่นคานาะวิญญาณภาษะเวทนาลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษะเวทนากายโพธภะกายยะวิญญาณภาษาเวทนามโนธรรมะโมวิญญาณภาษาเวทนาเมื่อมีการแยกแยะ แ, แบบนี้แล้วความเป็นสัตว์มีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมก็คือไอความรวมของธรรมะเราเนี่ยเรียกว่าโวหันต์วัตถุนี่จึงเกิดขึ้น ทีนี้ถ้าหมั่นใครครวนถึงรำ ม, มาทั้ง30เหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยปัจจัยของจกักรสุปัจจัยของรูปปัจจัยของจักรสุวิญญาณปัจจัยของภาษาและเวทนาสิ่งเหล่านี้แม้ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ทั้ง30ううดํารงอยู่ด้วยปัจจัยใช่ไหมเมื่อวานทั้งหมดนี้ก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเมื่อสิปีที่แล้วพวกนี้ก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยพบที่แล้วก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะจะพบเมื่อสักอสศงไขกับที่แล้วนะ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอยีกนั่นแหละทีนี้ถ้ายังเวียนว่ายจุติปฏิสนธิอ่ะนะจุติก็คือไอ้สามสิบเนี่ยมันเสียหายถ้าเกิดก็ไอ้การธรรมะสามสิบเราเนี่ยมันกอกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตอีจกจะกีโกดล้านกลับมันก็ด้วยธรรมะสามสิบเนี่ยที่ประชมกันเกิดขึ้นอันถามว่าธรรมะทั้งสามสิบทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตเหล่านั้ น, น, นเนี่ยมีสาระไหมก็ไม่มีใช่ไหม สิ่งในอดีตมันก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วสิ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้ถ้าได้ปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดมันก็ไม่ได้มีความมั่นคงถาวร อ, อะไรปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้ก็ไม่ได้มีความมั่นคงแม้แต่อันเดียวเนี่ยนะจากสูนี้ก็เปลี่ยนตลอดสีก็เปลี่ยนตลอดเนี่ยนะใครวางสีหน้าได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะตลอดเลยทําได้ไหมโดยสีหน้าก่อนเนะยสีของผมเนี่ยสีของผมอุตสายอมมางัไ ม, ม่กี่วันเองมันุตาขึ้นเข่ามีจนได้นะ ทังนก็จะว่าสีไหนก็ช่างเถอะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่ยแหละไม่ได้มีความมั่นคงถาวรอะไรสักสีทีนี้ตาก็ไม่เที่ยงแล้วสีก็ไม่เที่ยงจากครูวิญญาณจะเที่ยงมาแต่ไหนภาษะเวทนาเนี่ยจะเที่ยงมาแต่ไหนแต่นท่านก็ตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปนะนะทั้งหกทวารนี่นะทั้งแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดก็ตามเห็นโดยความเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเนี่ยท่านถ้าหากว่าตามรู้เห็นอย่างนี้ จริงๆอ่ะนะเจริญเป็นกเรียกว่าเจริญเป็นงานเลยเจริญเป็นอาชีพเลยเจริญเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการประพฤติใช้คําว่าพรหมจรรย์ถ้าสามารถเจริญได้ตามนี้จริงก็ออกจากทุกข์ได้จริงนั่นนะสำคัญว่าเราเจริญพอไหมเจริญพอที่จะออกจากทุกข์ได้ไหมนั่นนะรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ยคู่ควรแกการเบื่อหน่ายไหมสําคัญอยู่ตรงนั้นใช่ไหม แต่ถ้ารู้เห็นไม่พอแก่การเบรื่อหน่ายมันก็ไม่คู่ควรแกร่การทนทุกข์อยู่แล้วนะครับก็มาถามเราเองว่าเรานี้รู้เห็นสิ่งเหล่านี้พอแก่การเบรื่อหน่ายหรื อ, อยังนะถ้าบอกว่ายังทีนี้ถ้ายังแล้วบอกว่าเราตั้งอัธยาศัยบอกว่าจะต้องรอบรู้สิ่งเหล่านี้ให้ได้ภายในชาตินี้เราตั้งไหมหรือว่าแล้วแต่มันเถอะมันจะชาต์ไหนๆก็ช่างมันเถอะอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าตั้งมาชาตินี้เนะ ภายในกี่ปีกี่เดือนข้างหน้านี่จะต้องภารกิจก็เรียกว่างานหลักเลยก็ต้องกำจัดชั้นทราคาในสิ่งเหล่านี้ให้ได้แต่ถ้าตั้งอย่างนั้นไว้ก็เข้าเขาอ่ะนะแต่ถ้าไม่ตั้งไว้ก็เหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันลอยอยู่บนน้ำอนะก็ไม่แน่นอนว่า ม, ม, มันร่วมจะลอยไปทางไหนาการตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยสาคัญมากถ้าไม่ตั้งไว้เพื่อจะเจริญอยากคิดว่าเราจะเจริญนะ รอให้อายุมากกว่า น, นี้อีกหน่อยจะเจริญอายุมากก็เปล่าอ่ะก็ไม่เจริญอีกอยู่ดีไปเจริญโน่นเตียงสุดท้ายก็ตอนนี้ยังไม่เจริญเลยนะไปถึงตอนนั้นจะไปเจริญทําอะไรนะรอแต่คนมาเยี่ยมสักทีเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมล่ะไอ้ลูกคนนั้นไม่ไม่มาสักทีไอ้คนนี้ไม่มาดีไม่ดีนั่งโกรธลูกไปซะอีกนะคิดไปคิดมาห่วงลูกห่วงหลานไปเกิดอยู่ในคันลูกคันหลานอีกยุ่งเลยนะ ไม่รู้ใครเป็นปู่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่ น, านยายก็ไม่รู้นะเรียกไปเรียกกันมาในแหละนะอีกชาติหนึ่งเป็นพ่อแม่กันอีกชาตินึงเอาเป็นลูกอีกแล้วอย่างเงี้ยนะมันยุ่งไปหมดเล ย, ยนี่นนก็ตายนี่เหมือนทอดลูกเต่ามันไม่รู้จะออกนรกหรือสวรรค์นนอย่างนั้นหรอกก็ดูทีสภาพจิตมั น, ม, นมันต้องฝึกเจริญแบบนี้บ่อยๆนี่นะเจริญจนผู้ควรแก่การเบื่หน่ายนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าถึงเกิดใหม่ก็เกิดมาเอาธรรมะสามสิบนี่ ก็คือตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานะียถ้าเพลิดเพลินสิ่งเหล่าเนี้ก็สร้างสิ่งสามสิบนี้อีกขึ้นมาอีกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความชราเป็นธรรมดานะก็ถ้าเกิดใหม่ก็เกิดเพื่อชราอีกนะนะั่นแหละสิ่งเหล่านี้มีพยาธิมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็เกิดเพื่อเพื่อเอาความเจ็บป่วยอีกนะนะั <g m> ่นแหละสิ่งเหล่านี้ตายเป็นธรรมดานะก็เกิดทำไมอีกเกิดเพื่อตายนะ นี่คุณมุนชูพูดประทับใจบอกว่าเออเนี่ยนะเราก็จะเร่ไปตายเหมือนกันเห็นไหมคันข้างหน้าเขาก็จะไปเหมือนเราเนี่แหละไอ้คันที่ตามมาหลังก็จะไปเหมือนเราเ น, นี่แหละเอาแล้วท่านถามว่านั่งอยู่นี่นั่งรอเหมือนกันรู้เปล่า <c oughs> เออเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ก็นั่งรอเหมือนกันนะไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกเอาเดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนสักหน่อยนะก็นอนรออันนั้นอีกเหมือนกันเดินสัหน่นอยอ้าวลุกขึ้นเดินก็เดินรอความตายอีกเหมือนกันเห็นไหม เพราะฉะนั้นจะให้ใช้อิริยาบทไหนก็เถอะที่ไม่จะไม่คลานไปหาความตายไม่มีก็ก็ก็อย่างนี้แหละทางพระอริยะท่านก็บอกว่าใครที่ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเที่ยงอ่ะจะมีอะไรนอกจากความเขาใช่ไหมก็ของมันไม่เที่ยงจริงๆอ่ะนะ ก็แล้วข้อของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์ไหนบ้างที่ไม่เดินไปหาความตายไม่มีเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าไอการตามเห็นแบบนี้เป็นสาระเ<ม>พราะอะไรเพราะว่ามันขัดกับโลภามากคือโลภามันบอกว่ามันจะต้องอีกนานใช่ไหมมันทนต้องซ่อมต้องคือคือเอาจนจนจ น, จนสุดๆอะ่ะบางอันเถอะต้องดูแลจนกว่าโน่นแหละ่า ง, งัันน่ยยังดีอยู่นะพอใช้ได้อนุรักษ์เอาไว้เถอะ ขนาดฟันเนี่ถอนยังไม่ให้ถอนเน่ยนะกรอไปคือว่าสรุปเอาให้อยู่ไปจนได้แต่ไหนมันกันเนี่ยเพราะนั้นทางโลกเป็นวิชาลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเน้นบอกว่าอีกนานเนี่ยนะหวังว่าได้พบกันอีกเนี่ยนะโหนัดทั้งผูกทั้งมัดทั้งร้อยทั้งรับทั้งเกาะทั้งเกี่ยวโหสารพัดเลยนะพระพุทธเจ้ากขาไม่ได้ว่าไรพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมันชัดทั้งภายในมันชัดทั้งภายนอกอยู่แล้วทั้งเกาะทั้งเกี่ยวทั้งผูกทั้งมัด นะทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าตามเห็นว่า อ, อีกนานนะอันนู้นก็ยังดีอันนี้ก็สดเชิดอันนั้นก็ยังรื่นเรืองอันนั้นก็หน้าพี่ลมเนี่ยนะกับตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆเป็นสิ่งที่นําไปสู่ความตายทุกชนิดเนี่ยนะอันไหนเป็นข้อปฏิบัติประเสริฐกว่ากันในระหว่างทางสองทางถ้าตามเห็นอารมณ์ทั้งหลายด้วยอํานาจของความเพลิดเพลินนะความเพลิดเพลินนะ่ะนำไปสู่อะไร มีผู้ใดเพลิดเพลินกับอารมณ์แล้วไม่ไม่ทําทุจริตมีไหมไม่มีเพลิดเพลินกับวัตถุใดมันก็อดไม่ได้ที่จะทุจริตกับวัตถุนั้นอีกนั่นแหละไม่ทุจริตทางอย่างอื่นก็ทวารใจก่อนละนะนะพูดถึงก็พูดถึงด้วยอํานาจของทุจริตพฤติกรรมก็ด้วยอํานาจของทุจริตทุจริตทั้งหลายนําไปที่ไหนก็นําไปสู่กองทุกข์อีกอยู่ดีแต่ถ้าตามเห็นโดยความเนี่ยนะ ทุกอย่างนําไปสู่ความตายหมดเลยถามว่าสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นคือความไม่ประมาทเนี่ยนะความไม่ประมาทถือว่าเป็นรากเหงา้าเป็นมูลฐานแห่งกุศลทั้งมวลอันนะั้นแห่งกุศลทั้งมวลเพราะฉะนั้นกุศลที่ยังไม่เจริญก็จะเจริญมากขึ้นกุศลที่เจริญขึ้นแล้วก็จะภัยบุญยิ่งขึ้นเนี่ยนะจะไม่ประมาทในในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเนี่ยนะก็อันนั้นแหละจึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะแต่ถ้าไม่ ผู้ที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมิจฉาปฏิปทาแต่ถ้าผู้ตามเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัมมาปฏิปทาเนี่ยนะอ่าสัมมาปฏิปทามีอา น, นิสงค์คือพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงส่วนมิจฉาปฏิปทาก็จมอยู่กับกองทุกข์เหล่านี้ทั้งปวงเพราะหลักการของโลกเลยนะเขบอกว่าเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งทุกข์เนี่ยนะ หรือบอกว่าถ้าเพลิดเพลินในอะไรก็ได้ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกอะเพลิดเพลินในสีก็คือเพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินในเสียงก็คือเพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินในกลิ่นก็คือเพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินในรสก็คือเพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินในโพธาภะก็เพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดอยู่ก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกนั่นนะพนผู้เพลิดเพลินในทุกพ้นทุกไหม้ก็ไม่พ้นทุกมันก็อยู่กับความทุกข แต่ทีนี้ว่าปกติสัตว์ทั้งหลายอยู่กับทุกข์แต่ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักทุกข์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถูกตันหาเขาบอกว่าโลกอนาวิชาเนี่ยห่อไว้หุ้มไว้ตันหาก็ฉาบทารูปบไล้เอาไว้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตอนนี้คือภัยใหญ่เนี่ยนะมันเป็นภัยของโลกจริงๆ น, นะนะภัยของโลกภัยอหนบ้างของเราทั้งหลายมาถึงวัยปันจุบแล้วนะโดยที่สุดแม้กระทั่งใครก็ทําเถอะเรียกว่าแก่หมดแล้วในห้องนี้ไหม แล้วก็ไปสู่ที่ตายเหมือนกันหมดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าใครยังไม่ตายเนี่ยไม่มีอาจารย์เคพูดไปคำหนึงบอกว่าถ้าไมแก่แล้วจะตายทำไมเนี่ยทุกวันเนี้แก่แล้วนะก็รออย่างเดียวคือรอที่เหลือคือรอตายอย่างเดียวตอนนี้เนะี่ยถ้ามันไม่แก่ก็ไม่จำเป็นต้องตายนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้มันแก่แล้วอ่ะตอนนี้มันแก่แล้วเลยก็ ต, ตายาาก็ที่เหลือก็รอความตายอย่างเดียวเนี่ยนะจะอายุกี่ปีก็ช่างเถอะทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเรียกว่าแก่หมดเลย หลังจากนั้นก็เหลือรอความตายอย่างเดียวจะตายเร็วตายช้าก็เหมือนกันขนาดผลไม้นะผลไม้ที่มันออกแม้กระทั่งเม็ดเล็กๆมันยังร่วงเลยอะ่ะจะ ก, กล่าวไปยยถึงเมล็ดที่มันลูกที่มันโตแล้วนะมันจะร่วงทุกอันนั่นแหละพอได้ปัจจัยนีร่วงหมดฉันใดสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะไม่ตายไม่มีรอกมันก็เดินไปสู่ความตายกันหมดแต่ว่าไอ้ด้วยนิจจาวิ ป, ปลาสเนี่ยนะ แต่ความวิปลาดเนี่ยมันพาไปชอบเนติปกรณ์ท่านบอกว่าไอตันหาเนี่ยผู้ที่เพลิดเพลินในความสําคัญว่างามเพลิดเพลินสําคัญว่าสุขเนี่ยเพราะตันหาผู้ที่คิดว่าเที่ยงคิดว่าเป็นเราเนี่ยนะพวกนี้เป็นอวิชาท า, ทางอาวิชาทั้งตันหานี่ยแหละมันมันผูกมันร้อยมันรัดมันผูกมันมัดเนี่ยนะก็เลยนําไปสู่ การเกิดใหม่หมดทีนี้ถ้าถ้าอยู่กันในสภาพนี้นะก็ไม่น่าเป็นห่วงมาถ้าคิดถึงกลางวันนี่มันกี่องศาแล้วตอนนี้เชียงใหม่เท่าไหร่นะลำปางสาสิบ็ดใช่ไหมเชียงใหม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบอยู่แล้วนะกลางวันเนี่ยนะแล้วถามว่าถ้าต้องเดินตากแดดอย่างนั้นเนี่ยนะจากนี้เดินให้เดินตากแดดอย่างนั้นนะรอบโลกเอาไหม ถ้าเกิดใหม่นะจะต้องมาเดินตากแดดแบบนี้อีกนอนเนี่ยนะทั้งก็ทุกทั้งนั้นแหละนะที่ที่รออยู่เบื้องหน้านะยังชอบอผู้ที่เข้ามาศึกษาธรรมะในสมัยพุพทธกาลเป็นต้นเนี่ยนะเขามีความคิดว่าเราทั้งหลายเนี่ยมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วทำไชนะิการทําที่สุดแห่งกองทุกจักพึงปรากฏชัดแก่เราได้เขามีความรู้สึกอันนี้ตลอดเลย เนี่ยนะเพราะว่าคือรู้อยู่แล้วถ้าจุติตรงนี้ก็ทุกใหม่เกิดอีกนงทิ้งทุกกองทุกอันนี้ก็ถือเอากองทุกอันใหม่ทิ้งกองทุกอันนี้ก็ถือเอากองทุกอันใหม่ทำไง น, นะเขาจะพ้นจากกองทุกอันนี้เนี่ยนะโจทย์อันนี้เราตั้งบ่อยไหมถ้าตั้งบ่อยก็แสดงว่าไม่ประมาทแต่ถ้าไม่ตั้งเลยก็แสดงว่าประมาทมากเนี่ยนะถ้าผลของความประมาทก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าก็คือคนตายเดินได้เอง ต่างอะไรครับเาผู้ที่ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วท่านทไม่คิดที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าผู้ประมาทพระผู้ประมาทนี่นำไปสู่ความตายบ่อยๆตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนี่แหละอันนี้อีกสูตรหนึ่งว่าทุติยะป ร, ยปริยาฐานสูตรเนี่ยนสูตรลักษณะนี้โหมีมากเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ธรรมะเพื่อครอบงําอุปาทานทั้งปวงเป็นไนดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนจากสซเที่ยงหรือไม่เที่ยงนีนะเราลองเคยนั่งไล่ดูนะเออตาของเราอันเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนะเนี่ยสีนะคือผิวของเราทั้งหมดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะ แล้วจากจิตเห็นเนี่ยจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงภาษาทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดจากขวานตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันนะก็นั่งไล่ซ้อมตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะไอ้วันก่อนนี่ก็บอกไปซ้อมนะม า, มาทราบว่าใข่ไปทํากันบ้านบ้างไหมจ๊อตคุณนภารทำไหมทำแม่ส า, าทุอ า, าจารย์เกสสุดดาร่ะทําบ้างนะบางๆแสดงว่าซอยละเอียดนะ ไปเล่นไหคุณชูศสีแล้ะไปทำบ้างอ๋อปรเลโพดยังตัดยากเลยนะหมายพอที่จะหลีกทางความคิดยังยากเลยนะ